วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาลสันผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ ว่ามีแบบไหนบ้างความสุขในโลกนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือหนึ่งความสุขของผู้ครองเรือนสองความสุขของนักบวชอันนี้เป็นความสุขสองรูปแบบที่ใครที่เกิดมาในโลกนี้จะสามารถหากันได้ แล้วแต่ความพอใจชอบแบบไหนก็หาความสุขกันไปแบบนั้นความสุขของผู้คองเรือนี้เป็นความสุขที่ง่ายกว่าความสุขของนักบวชแต่เป็นความสุขที่ไม่ค่อยมั่นคงมีโอกาสที่จะ กลายเป็นความทุกข์ได้อยู่เสมอส่วนความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่ยากกว่าแต่ก็เป็นความสุขที่มั่นคงกว่ายากต่อการที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่มาเกิดในโลกนี้ ว่าจะสามารถหาความสุขในรูปแบบใดไ ด, ได้ส่วนมากก็จะมีความสามารถในการหาความสุขแบบผูกครองเือนไปก่อนแล้วต่อมาหลังจากที่ได้มีประสบการณ์จากการมีความสุขทางโลก ก็เห็นว่ามันเป็นความสุขที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงก็อาจจะไปศึกษาเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบนักบวชกันแล้วก็อาจจะไปลองปฏิบัติหาความสุขแบบนักบวช ถ้ามีผู้ที่สอนที่ถูกที่เก่งที่ฉลาดที่บอกวิธีการหาความสุขได้ถูกต้องแม่นยำโอกาสที่จะได้รับผลจากการหาความสุขแบบนั่งวด mm. ก็อาจจะมีมากอาจจะมีง่ายทำให้ได้รับผลจากการปฏิบัติแบบนักบวด ก็อาจจะเกิดความศรัทธาความยินดีที่จะหาความสุขแบบนักบวชเพิ่มมากขึ้นไปจนต่อไปก็อาจจะกลายเป็นนักบวชไปก็ได้แต่เบื้องต้นนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะหาความสุขแบบนักบวชได้ บบก็ Regard. หาความสุขแบบผู้คลองเงินไปก่อนการหาความสุขแบบผู้คลองเงินนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีเหตุอยู่สี่ประการด้วยกันที่จะทําให้เกิดความสุขแบบผู้คลองเงินเหตุที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้รับทรัพย์มาเหตุที่สอง ก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีหรือได้รับมา mm. เหตุที่สาม mm. ก็คือการไม่มีหนี้สิน mm. เหตุที่สี mm. ่ก็คือการกระทาที่ไม่ได้เกิดโทษตามมา mm. นี่คือเหตุสี่ประการด้วยกันสำหรับ ความสุขของผู้คองเรือนถ้าอยากจะมีความสุขแบบผู้คองเรือนก็ต้องสร้างเหตุสี่ประการนี้ขึ้นมาแล้วจะมีความสุขในระดับของผู้คองเรือนไปแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงแต่ก็ยังดีกว่า การมีความสุขในในรูปแบบอื่นในความสุขที่เป็นโทษเป็นภัยเช่นความสุขที่เกิดจากการกระทำที่เป็นโทษเช่นการทาบาปทากรรมทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายหรือความสุขที่เกิดจากการไปมีหนี้มีสินการไปเป็นหนี้เป็นสินนี้ เวลาได้เงินมาใหม่ๆได้ของที่ต้องการมาใหม่ๆก็เกิดความสุขแต่มันก็มีภาระหนี้ที่จะต้องใช้ทดแทนชดเชยซึ่งก็จะเป็นความทุกข์ที่คอยกดกดดันจิตใจทำให้ความสุขที่ได้จากการไปซื้อของโดยที่ไปกู้หนี้ยืมสินมานี้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขแบบผู้คลองเรือนที่ปราศจากหรือปราศจากความทุกข์หรือหรือลดลดความทุกข์ให้น้อยลงไป<ม>ก็ควรที่จะกระทำเหตุสี่ประการนี้<ม>เหตุข้อที่หนึ่งก็คือการได้มีการมีทรัพย์หรือการรับได้ไ ด, ได้ได้รับทรัพย์ เวลาที่เราได้เงินได้ทองมาเราจะมีความสุขใจกันหรือเวลาที่เรามีเงินมีทองเราจะมีความสุขใจเพราะว่าเรารู้ว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่อย่างอยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยก็ให้ร่างกายของเราอยู่อย่างสุขสบายได้เพราะเงินทองนี้ เป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไปซื้อปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายเพราะร่างกายนี้จาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่แล้วร่างกายก็จะเดือดร้อนร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจนความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้หรืออาจจะถึงแก่ความการเสียชีวิตก็ได้ ถ้าขาดปัจจัยสี่ไปนานๆดังนั้นการมีทรัพย์นี่จึงทำให้เกิดในความสุขใจมั่นใจว่าร่างกายของเรานี้จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายจึงทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเวลาที่เราได้ทรัพย์มาหรือเวลาที่เรามีทรัพย์อยู่พอปั๊บ พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายของเรา<ม>เราก็จะมีความสุข<ม>เหตุที่ทำให้เรามีทรัพย์นี้ก็มีอยู่หลายเหตุด้วยกัน<ม>เหตุแรกที่เราได้ทรัพย์มาก็คือ<ม>เกิดจากการที่เรามีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> <c oughs> ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยวิธีสุดจริต เพราะถ้าเราทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริตเราก็จะไปกระทําการกระทําที่เกิดโทษกับเราเพราะถ้าเราทํามาหากินที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกดหมาย <c oughs> เราก็อาจาจะถูกจับไปลงโทษได้ดั <c oughs> งนั้นการมีทรัพย์จึงไม่ควรที่จะมีทรัพย์ที่เกิดจากการกระทําที่เป็นโทษ <c oughs> ให้ทำมาหากินด้วยอาชีพสุดเจริญสามาชีพไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แล้วเราก็จะมีความสุขจากการมีทรัพย์ไว้เลี้ยงดูการที่มีทรัพย์นี้นอกจากเกิดจากการที่เรามีความ ขยันในการทํามาหากินเลี้ยงชีพแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนี้ก็คือการได้ทรัพย์จากการได้ทําบุญมาในอดีตชาติก่อนๆถ้าเราได้เคยได้ทําบุญทําทานมาเรามาเกิดชาตินี้เราก็า จ, จะมาเกิดบญกองเงินกองทองก็ได้มาเกิดบน มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นต้นพ่อแม่มีเงนินมีทองไว้เลี้ยงไว้ให้ลูกลูกไม่ต้องทำอะไรรับมรดกจากพ่อแม่ อ, มอันนี้เป็นเรื่องของอดีต ท, ที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปทำมันได้ถ้าเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาริ่มมารวยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญกุศล เป็นบุญที่เราได้ทำไว้ในอดีตจึงทำให้เรามีทรัพย์สินเงินทองเวลาที่เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้โดยที่เราไม่ต้องไปขวนขวายแต่ไปไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพราะอดีตนั้นทำให้เราได้มารับทรัพย์สมบัติต่างๆ ในปัจจุบันอันนี้ถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้เราก็อาจจะทำบุญทำทานเพิ่มมากขึ้นในภพนี้ชาตินี้เผื่อที่เรากลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเราจะได้มีเงินมีทองรอรับเราอยู่ไม่เดือดร้อนไม่อดอยากขาดแคลนไม่ตกทุกข์ได้ยาก อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ให้คิดว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันคนบางคนเกิดมาร่ารมวมยบางคนก็เกิดมายากจนตามหลักของพระพุทธศาสนาตามกฎแห่งกรรมก็เกิดจากการทำบุญทำทานหรือไม่ทำบุญทำทานนี่เองยกตัวอย่างอย่าง พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายตอนที่เป็นพระเวชสันดร mm hmm. ก็ได้มีการทำบุญทำทานอย่างมากมายพ mm hmm. อตายไปใหญ่ก็ไปเกิดในสวรรค์หลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์ มีบิดาที่คอยหาทรัพสมบัติมาให้เช่นสร้างภาษาสามฤดูให้อยู่เป็นต้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีการได้ทรัพ์มาถ้าเกิดมาไม่รวยยากจนก็ต้องหาทรัพ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตแล้วก็จะได้ทรัพ์มา จะได้ทำให้มีความสุขจากการที่มีทรัพย์ข้อที่สองของความสุขของผู้ครองเรืองก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจกับร่างกายของตนเองการใช้ทรัพย์นี้ใช้แล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาก็ได้ ใช้แล้วทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้จึงจำเป็นจะต้องรู้จักการใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขไม่ให้เกิดความทุกข์การใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เกิดความสุขก็คือให้ใช้ทรัพย์เพื่อการมาเลี้ยงดูร่างกายของเรานี่เองร่างกายต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารต้องการที่ อ, อาศัย ต้องการเครื่องนุม่มหนมต้องการยารักษาโรค mm hmm. เราก็จำเป็นที่จะต้องหาปัจจัยสี่นี้มาเลี้ยงดูให้แก่ร่างกาย mm hmm. การจะใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย mm hmm. ก็ต้องดูทรัพย์ที่เรามีอยู่ mm hmm. ว่ามีมากมีน้อย mm hmm. เราก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์ไม่ควรใช้เกินตัวใช้เกินกำลัง พรถ้าเราซื้อของแพงๆของที่มีราคามากกว่าที่เราจะสามารถจ่ายได้เราก็าจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินการมีหนี้นี่มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันเป็นภาระที่คอยกดดันจิตใจที่จะต้องคอยเอาหาเงินหาทองมาเพื่อไปใช้หนี้ใช้น่างกายใช้ มีภาระคือต้องหาปัจจัยสี่แล้วยังต้องมาหามีภาระกับการใช้หนี้เพิ่มขึ้นไปอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการใช้เงินที่ที่ฉลาดที่ถูกต้องการใช้เงินที่ถูกต้องนี่ควรจะใช้แบบที่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใช้ตามกำลังตามฐานะของเรามีมากมีน้อยก็ต้องรู้จัก ใช้ไม่ให้เกิดนี่ขึ้นมาใช้ตามฐานะของเราเพราะปัจจัยสี่นี้มันก็มีหลายระดับด้วยกันแต่จะเป็นระดับไหนก็ตามมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เหมือนกันเช่นอาหารนี่อาหารก็มีหลายราคาด้วยกันกินอาหารแพงแล้อกินอาหารถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากัน คือทำให้ร่างกายกำจัดความหิวของร่างกายได้ไปกินอาหารมื้อละร้อยหรือมื้อละพันมันก็ทาให้มันก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นการ <c oughs> การเลี้ยงดูร่างกายนี้เพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมา <c oughs> ก็ควรจะเลี้ยงดูตามฐานะ <c oughs> ตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือเพื่อความปลอดภัย เลี้ยงดูแบบที่พูะเจ้าทรงสอนให้นักบวช<ม>เลี้ยงดูกันก็คือให้เลี้ยงแบบมักน้อยสันโดษ<ม>ให้มีน้อยให้ใช้น้อย<ม>ให้ใช้เท่าที่จำเป็น<ม>ถ้าเป็นสิ่งที่มีราคาแพงกับราคาถูกจะสามารถที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนกัน<ม>ก็ให้ใช้ของที่ราคาถูกจะดีกว่า เพราะจะทำให้ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์มากเกินไปจะได้มีทรัพย์สำรองไว้ในวันข้างหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นร่างกายเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทำมาหากินหาเงินหาทองได้หรืองานการที่เราทำอาจจะมีอุปสรรคอาจจะตกงานอะไรเหล่านี้ ต้องมีการเตรียมรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน mm. ก็ควรที่จะมีเงินสำรองเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่มีปัญหาในทางรายได้ไม่สามารถหารายได้เหมือนเช่นที่ก่อยหาอย่างน้อยก็จะได้มีเงินสำรองเก็บเอาไว้เพื่อที่จะได้ดูแลร่างกายเวลาที่ร่างกาย ตกงานก็ดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือในอนาคตร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องเป็นคนชรลาเป็นคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแลงที่จะไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองของตนเองได้อย่างสะดวกก็จะได้อาศัยเงินทองที่เก็บเอาไว้ไม่ใช้แบบสุรอลุยซื้าย ไม่ใช้แบบ <c oughs> แบบไม่ประหยัดเนี่ยต้องรู้จักประหยัดการใช้เงินใช้ทอง อ, อย่าไปเอาความสุขเชื่อประเดียวประเดาาแล้วต้องมาเจอกับความทุกข์ต่อไปเวลาที่เงินทองไม่พอใช่ดังนั้นต้องรู้จักใช้เงินคือต้องรู้จัก รู้ว่าเรามีเท่าไหร่แล้วเราต้องแบ่งเอาไว้หลายส่วนด้วยกันเช่นต้องเก็บเอาไว้สาหรับวันข้างหน้าด้วยใช้สำหรับวันนี้พอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเราก็เก็บสารองเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้าเราไม่มีไรายได้เราก็จะได้อาสายเงินสำรองนี้มาใช้ อีกส่วนหนึ่งของเงินที่เราจะใช้นี้ก็ถ้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจก็คือการเอาเงินนี้ไปใช้กับการทาบุญทำทานเพราะว่าการทำบุญทำทานนี้จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาจะทำให้ใจไม่ค่อยหิวโหวยกับการที่จะไปแสวงหาความสุขทาง ตาหูจมูกนิ้นกายคือทางการอารมณ์ต่างๆการใช้เงินใช้ทองไปกับการหาความสุขทางการอารมณ์นี้ใช้เท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเหนียวเดียวเป็นความสุขเหมือนแบบควันไฟพอได้ใช้ได้ไปเสพแล้วมันก็หมดไป ะ ม, มันก็ทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะไปเสพใหม่ถ้าใช้เงินไปกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะ พ, พานิสต่างๆนี้ก็เท่ากับการไปเสพยาเสพติดดีๆนี่เพรารูปเสียงกลิ่นรสผดสะ พ, พานี้มันจะทําให้เราติดเมื่อเราได้เสพมาแล้วมันจะทําให้เราต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาที่เราไม่ได้เสษลูกเสียงจินลดปวดธาพาเราก็จะรู้สึกเงาหงอยซ้อยเศร้าเศร้า้อ ย, ห, อย ห, หงอยเงารู้สึกว่าเวรู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเอาเงินทองส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานอันนี้เป็นการหาความสุขให้แก่จิตใจแบบถูกถูกวิธี พราการทำบุญทาทานจะทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาจะทำให้ความหิวความอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ไม่ค่อยมีหรือมีน้อยไม่ไม่ไปเที่ยวก็ไม่รู้สึกว้าเวแต่อย่างไรไม่ได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรตามความอยากก็จะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่ ก็มีความสุขที่ได้จากการทำบุญกลเลี้ยงจิตใจอยู่การทำบุญมีมประโยชน์ทำให้เป็นการเลี้ยงดูจิตใจเราเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่แล้วเราก็มาเลี้ยงดูจิตใจด้วยการทาบุญทาทานทำให้จิตใจเหมือนกับมีอาหารเมื่อจิตใจมีอาหารจากการทำบุญทําทาน จ, จิตใจก็จะไม่หิวกับการที่จะไปหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโถถัพชั้นิดต่างๆ <c oughs> แล้วก็จะทําให้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มตามความอยากเพราะใจมีความสุขจากการได้ทําบุญทําทานแล้วบุญที่ได้ทําในภพนี้ก็จะเป็น เหตที่จะทำให้เราไปเกิดรวยน่ํารวยมีเงินมีทางรอเราอยู่ด้วยการทำบุญจึงมีผลประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อจิตใจจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่จะไปรับผลบุญต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปจิตใจของเรา ก็จะไปสู่สวรรค์เพราะเราไม่ได้ทําบาปเวลาเราทํามาหากินเราก็ทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ทุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่มีการกระทําที่เกิดโทษกับเราเราก็จะไม่มีบาปที่จะมาดึงใจให้เราไปชดใช้บาปในอบายเรามีแต่บุญที่จะส่งให้จิตใจของเรา ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเหมือนกับที่พระเวชสันดรได้รับผลประโยชน์จากบุญแล้วพอเราลงมาจากสวรรค์เรามาเกิดใหม่เราก็จะได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของผู้มีความมั่งคั่งมีฐานะจะมากน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำกันในขณะนี้ ทำมากบุญก็จะส่งให้เราไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นสูงมากกลับมาเกิดก็จะมาเกิดในครอบครัวที่มั่งคัง่งหึงอถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มั่งคัง่งแต่ก็จะมีบุญคอยสนับสนุนไม่ว่าเราจะทำมาหากินอะไรก็จะหาทำมาหากินได้ง่ายได้สะดวกได้รายได้มาอย่างง่ายดาย ไม่ไม่ยากไม่ลำบากอนนี่คือการใช้เงินให้มีความสุขสุขทั้งกายและสุขทั้งใจก็ต้องใช้เงินแบบที่ไม่เกิดโทษกับจิตใจเช่นไม่ใช้เกินฐานะใช้ให้พอกับฐานะที่มีอยู่อย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเพราะเมื่อเมื่อไปมีสร้างภาระหนี้สินแล้วก็จะต้อง มีภาระหนี้สินนี่มาคอยกดดันมาให้ความทุกข์กับใจนั่นเองถ้าเราไม่มีหนี้สินเราก็จะรู้สึกสบายไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเดียวนี้จะต้องจ่ายค่านั้นค่านี้เพราะเราใช้ตามกำลังที่เรามีอยู่แลวเราก็มีเงินสารองเก็บเอาไว้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะอาศัยเผือในอนาคตถ้าเกิดนือ มีปัญหาต่างๆทำให้ไม่สามารถมีรายได้เข้ามาก็จะได้อาศัยเงินทองที่หามาได้นี้ที่สําลองไว้นี้เป็นที่พึ่งต่อไปอนี้คือวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องโดยใช้ให้เกิดคุณประโยชน์กับร่างกายและจิตใจอย่าไปใช้เงินทองที่จะทำให้เกิดโทษ กับร่างกายและจิตใจก็คือใช้เงินทองไปเกินกำลังเกินฐานะก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แล้วก็ไม่ไปใช้เงินทองเพื่อไปเสพการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเพราะเป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดนั่นเองการมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผัธภะ มันเสพแล้วมันจะติดมันอยากจะเสพอยู่เรื่อย mm hmm. เวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะรู้สึกเหงารู้สึกงดเวรรู้สึกไม่มีความสุข mm hmm. อันนี่คือความสุขของการใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดคุณประโยชน์ mm hmm. ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะตามมาต่อไป mm hmm. ข้อที่สามก็ได้พูดอยู่ใน ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการไม่มีหนี้ <c oughs> การไม่มีหนี้ก็ต้องรู้จักใช้เงินทอง <c oughs> รู้จักจัดสรรรายได้ของเราให้มันพอดี <c oughs> ไม่ให้ทําให้เราจําเป็นจะต้องไปเป็นหนี้ <c oughs> เป็นสินดงนั้น <c oughs> รายได้ที่เรามีอยู่นี้ก็ควรจะแบ่งไว้เป็นสามส่วน <c oughs> แบ่งไว้หนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกาย ปจัจจัยสี่ตามฐานะมีมากมีน้อยก็ใช้ไปตามกำลังอีกส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงดูจิตใจด้วยการทำบุญทาทานอย่าไปเลี้ยงจิตใจด้วยการไปเสพยาเสพติดของใจคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้วก็ส่วนที่สามก็คือให้มีเงินสำรองเก็บเอาไว้ ต่วันที่ทุกข์ยากลำบากในวันข้างหน้าวันที่ขาดรายได้ไม่มีรายได้ ไ, ได้เงินสำรองเก็บเอาไว้มาสนับสนุน <bara S 1> นี่คือต้องอยู่แบบไม่มีนี่อย่าไปเห็นเขาโฆษณาแล้วให้เราซื้อของผ่อนได้ดาวแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่มันต้องมาใช้นี้ไม่รู้กี่ปีด้วยกัน มันก็จะทำให้เครียดเวลาที่เกิดภาวะอัตคัดขัดสนขึ้นมาอาจจะตกงานหรือว่าอาจจะไม่มีรายได้พอเพียงอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปก็ได้เพื่อที่จะหารายได้มาเพื่อที่จะมาชดใช้นิสินต่างๆที่มีอยู่เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่จ่ายน้ไม่จ่ายน้สินที่เรามีอยู่เราก็จะทรัพสินข้าวของต่างๆที่เราซื้อมา ก็จะถูกยึดไปหมดแล้วเราก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากทางที่ดีก็คือยอมอยู่แบบทุกข์ยากลำบากตามฐานะของเราดีกว่ไปอยู่แบบสุขแบบสบายแบบมีนี้สินแล้วต้องมาทุกข์มากัวงวลกับการที่จะถูกยึดทรัพย์สินต่อไปในอนาคตให้อยู่แบบมักน้อยสันโดษประหยัดมัธยัต อยู่แล้วจะได้มีความสุขสบาย ส, สุขใจสบายใจร่างกายก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างพอเพียงเพราะอย่างที่บอก<ม>ปัจจัยสี่มันมีหลายราคาด้วยกันจะแพงหรือจะถูกมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เท่าเทียมกันก็เลยไม่จาเป็นที่จะต้องอมีปัจจัยสี่ราคาแพงๆยกเว้นว่าถ้าเรามีฐานะดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ ไม่เดือดร้อนก็ก็ใช้ไปตามฐานะของของของเราไปอันนี้ก็คือความสุขของผู้คลองเรือนที่เป็นความสุขที่ต้องมีเหตุมีปัจจัยสี่ประการคือต้องมีทรัพย์แล้วก็ต้องได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ไม่มี ไม่ไปมีนี่สินจากการหาทรัพย์จากการมีทรัพย์มาแล้วก็ไม่มีการกระทาที่เกิดโทษคือในการหาทรัพย์หรือการใช้ทรัพย์นี้อย่าไปใช้ในหาทรัพย์โดยวิธีผิดกฎหมายมผิดศีลธรรมเพราะมันจะมีโทษตามมาโทษต่อจิตใจและโทษต่อการถูกไปจับลงโทษได้ติดคุกติดตารางได้ น, นี้คือเรื่องของความสุขของผู้คลองเรือนซึ่งเป็นความสุขที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีความสุขที่ลึกซึ้งเหมือนกับความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขของนักบวชความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ ความสุขของผู้คลองเรือนตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือความสุขของนักบวชคือการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้ใจจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งทั้งปวงของความของความสุขของผู้คองเรือน ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าความสุขของผู้ของเรือ น, นี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่วแน่มันคงและยุ่งยากวุ่นวายก็อาจอยากจะลองมาหาความสุขของนักบวชก็ได้ความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายแต่เป็นความสุขที่ต้องต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ถึงจะสามารถเข้าถึงความสุขของนักบวชได้การที่เราจะเข้าถึงความสุขของนักบวชสิ่งแรกที่เราจะต้องสามารถปฏิบัติได้ก็คือการรักษาศีลของนักบวชนั่นเองศีลของนักบวชนี้ต้องนั บ, นบตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปเรียกว่าเป็นศีลของนักบวชศีลห้านี้ยังเป็นศีลของผู้คลองวิญญณอยู่ เป็นการกระทาที่ไม่เกิดโทษถ้ามีศีลห้าทำอะไรโดยที่ไม่ละเมิดศีลห้านี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เกิดโทษแต่ถ้าจะมาหาความสุขแบบนักบุน ต, ต, ต้องเพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดคือไม่ทำบาปแล้วแล้วก็ต้องมามาลั ง, งับการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโถทอพระชนิดต่างๆ พความสุขแบบรูกเสียงกิ่นรถนี้มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่จะทาให้เกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเงาขึ้นมาทําให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดไม่มีความสุขใจเฉะนั้นต้องพยายามละเว้นถ้าอยากจะเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบต้องพยายาม ละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นลดเช่นศีลข้อสามถ้าเป็นศีลของถ้าเป็นของศีลห้าก็ยังสามารถมีการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปนี้ศีลข้อสามนี้จะต้องเป็นอัปปรมัจจเรยียคือการระพฤติพรหมจรรย์คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใคร แม้แต่คู่ครองของตนก็ตามอันนี้ <c oughs> ละงับการหาความสุขเพราถ้าเรายัางไปหาความสุขแบบนี้อยู่เราก็จะไม่สามารถไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันถ้าอยากจะหาความสุขทั้งโลกก็ถือสีหน้าไปแล้วก็หาความสุขด้วยการร่วมหลับนอนกันได้ แต่ถ้าอยากจะหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขแบบนักบวชเราก็ต้อ ง, งระงับการหาความสุขจากการน่วมหลับนอนกันถือศีลพรหมจาริย์อบรัมจารจิยาเวรมนีแล้วก็เพิ่มศีลข้อ6คือไม่ให้หาความสุขจากกินจากการกินการดื่มกินอาหารน่าดื่มเครื่องดื่มต่างๆ ต, ต, ตามความอยาก ให้กินได้แบบกินแบบกินยาก็คือให้อาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้ระงับความหิวที่เป็นเหมือนโลกของร่างกายชนิดหนึ่งความหิวนี้เป็นเหมือนโลกของร่างกายและการที่จะทำให้ร่างกายหายหิวก็ต้อง อ, อยู่ที่การกินอาหารแต่การกินอาหารเพื่อระงับความหิวของร่างกายนี้ ไม่มีการจําเป็นที่จะต้องกินวันละหลายหลายครั้งด้วยกันกินวันละครั้งสองครั้งนี่ก็เหลือเฟือพอเพียงวันละครั้งก็ก็พอเพียงถ้ากินถ้าทำได้วันละครั้งก็พอเพียงถ้ายัางทําไม่ได้ก็ทำวันละไม่เกินสองครั้งคือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วให้รับประทานอาหารได้เฉพาะช่วงเช้าถึงกลางวันแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ให้หยุดการกินอาหาร ก็กินพอแล้วมีอาหารไว้ดับความหิวของร่างกายได้พอแล้วความหิวที่เกิดในภายหลังนี้มันไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายมันเป็นความหิวของใจที่เคยที่เคยกินอาหารตามความอยากพอเกิดความอยากกินอาหารขึ้นมาก็เกิดความหิวขึ้นมาทันทีแต่มันเป็นความหิวของใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายร่างกายเขาไม่หิวเขาไม่เดือดร้อน แต่ใจที่เคยกินอาหารตามความอยากพออยากกินอาหารขึ้นมาปับ๊บมันก็จะหิวขึ้นมาทันทีเวลาที่รักษาสิ่งข้อนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกลัวเวลาเกิดความอยากที่เกิดจากความหิวความความอยากความหิวที่เกิดจากความอยากพอเราสามารถแก้ได้ด้วยการทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบแล้วนี้ ความอยากก็จะระงับตัวไปความหิวที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้เดือดร้อนเลยมันไม่ได้หิวเลย <c oughs> ไม่ได้กินอาหารมันก็ไม่เดือดร้อนเลยเ <c oughs> พราะมันได้กินพอแล้วสําหรับวันนั้นกินมื้อเดียวสองมื้อนี่ก็พอเพียงแล้วแล้วการที่ไม่กินอาหารมากนี่ก็เป็นคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ด, ด้วย เพราะจะทำให้ไม่มีอุปสรรคคือการง่วงเหงาหวนอนหรือความเกียจคันในการที่จะปฏิบัติเพราะถ้าเรากินอาหารอิ่มๆนี้ร่างกายมันจะไม่อยากจะทำอะไรมันอยากจะนอนเวลานั่งสมาธิมันก็จะสะงกได้ <c oughs> แต่ถ้าเรากินพอประมาณพอให้ร่างกายไม่หิวได้ มันจะไม่มีปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคเวลาที่เรามาฝึกสมาธิมา ป, าปฏิบัติมาทาใจให้สงบความรู้สึกเกลียดข้ามก็จะไม่มีความง่วงเหงาเหงานอนก็ไม่เกิดเวลาที่นั่งสมาธิ น, นี่คือประโยชน์ของการรักษาศิ่ข้อที่6แล้วจะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการคอยกินอาหารอยู่เรื่อยๆ จะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องสิ่ข้อที่เจ็บที่เราต้องรักษาก็คือจะไม่แสวงหาความสุขจากการดูการฟังหมอรศ บ, บันเทิงต่างๆเมื่อกี้เราปิดการการหาความสุขทางทางทางลิ้นทางกลิ่นทางรสอันนี้เราก็นำมาปิดกานการหาความสุขทางตาทางหูก็คือไม่ดูไม่ฟัง มหมอรศบันทางบันเทิงต่างๆหรือเรื่องราวที่ไร้สาระต่างๆที่ไม่เกิดคุณประโยชน์ถ้าอยากจะดูอยากจะฟังก็ให้ดูเรื่องธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ให้ดูพอประมาณดูเพื่อที่จะได้รู้แนวทางของการปฏิบัติเพราะสิ่งที่เราต้องการทรมากที่สุดก็คือการปฏิบัติเพราะการดูถึงแม้จะดูหนังสือธรรมะ ฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติผลมันก็ยังจะไม่เกิดอยู่ดีแต่ถ้ายังไม่รู้วิธีของการปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงทำให้เกิดผลขึ้นมาก็ต้องดองูดูหนังสือบ้างฟังฟังธรรมะบ้างแล้วเพื่อจะได้รู้แนวทางแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติต่อไปผลจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ แต่การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติที่ถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้ผลและการจะปฏิบัติถูกได้ก็ต้องได้ไ ด, ได้เรียนรู้จากพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าก่อนสองสารให้เราปฏิบัติอย่างไรตรงนี้ทำให้เกิดผลขึ้นมาอย่างวันนี้ท่านก็ทราบแล้วว่าข้อแรกก็คือเราต้องมารักษาศีลแปดกันให้ได้ <c oughs> เราต้อง มีสินแปดเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลาไปกับการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสลพธชชนิดต่างๆสินก็เจ็นี้ก็ให้สำรวมตาตหูไม่ให้ดูไม่ให้ฟังหมอรสบันเทมต่างๆซึ่งมันจะทำให้เกิดความเพลิดเพินใจชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะทำให้เราสูญเสียเวลามีค่าต่อของการปฏิบัติไปดงนั้นต้องพยายามอย่าไป ดูหนังฟังเพลงแไปหาความสุขจากหมหรศบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายร่างกายนี้<ม>ความสวยงามของร่างกายนี้มันเป็นความสุขแบบผิวเผินมันจะทำให้เราเสียเวลาที่เราจะต้องมาคอย<ม> <c oughs> เสริมสวยความงามของร่างกายให้ดูแลร่างกายให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอ อาบน้ำอาบท้าหวีผาหวีผลให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่สีไม่ฉูดฉาดเราไม่ต้องการหาความสุขความสวยงามทางร่างกายเราต้องการหาความสวยงามทางจิตใจก็คือความสงบนี่แหละจะทําทให้จิตใจเราเป็นจิตใจที่สวยงามต่อไปแล้วก็ข้อสุดท้ายของสิ้นตาก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีทำให้เราไม่นอนมากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มันสุกมันสบายที่เรียกว่าเตียงสําราญเตียงที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วมันจะนอนเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วมันยังไม่อยากจะลุกจะนอนต่อร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่พอนอนบนฟูกที่หนาๆเป็นบนเตียงที่สบายใจก็อยา่าไม่อยากจะลุกใจจะติดความสุข อากการได้นอนบนฟูกบนเตียงที so, as well as food, ่แสนจะสบายก็จะทําให้สูญเสียเวลามีค so, ่าของการปฏิบัติไปก็ต้องนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นเลยก็ได้จะปูด้วยผ้าด้วยเสื่อบางๆก็ได้หรือถ้ามีฟูกแบบบางๆเพื่อการความความเย็นของพื้นก็ได้แต่ไม่ให้มันสุขให้มันสบาย เป็นการป้องการรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังพอโนโลมใช้ได้อยู่ <S <S นี่คือสิลแปดถ้าอยากจะหาความสุขจากการทาใจให้สงบนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหารูเสิยงกินลดผธภพมาเสกเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ ใช้ไปกับการหารูปเสียงกิริยานี้มาให้กับการปฏิบัติการปฏิบัตินอกจากการที่เรามีมีศีลแล้วเราก็ต้องมีสถานที่ที่สัปปายะสถานที่ที่สัปปายะต่อการที่จะทำให้ใจสงบให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ก็ต้องเป็นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกที่เรียกว่ากายวิเวก ถ้ากายวิเวกแล้วถ้ากายไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกความวิเวกของใจก็จะปรากฏขึ้นมาได้ง่ายได้ง่ายกว่าถ้าไปอยู่ในสถานที่ไม่สงบสงัดไม่วิเวกเช่นไปปฏิบัติอยู่ตามที่มีเสียงหรือกระเทิร์คโคลมมีคนเดินมีคนทำกิจกรรมอะไรต่างๆพุ่งพานไปเวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้มันจะสงบได้ยาก แต่ถ้าเราไปนั่งที่งเงียบเนียบที่ไม่มีคนพุกพลานไม่มีไม่มีลูกเสียงกลิ่นรถต่างๆมายื่วยวนกวนใจการที่จะทำให้ใจสงบนี้ก็จะง่ายขึ้นฉนั้นนอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องไปหาที่สงบสงบัดวิเวกซึ่งส่วนใหญ่ก็สำหรับผู้เริ่มตน้นก็ไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆหรือบางทีก็ไปร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ ถ้าเรายัางปฏิบัติเองไม่เป็นก็อาจจะไปเข้าหลักสูตรสามวันห้าวันจะมีอาจารย์มีคนคอยสอนมีคนคอยบอกมีคนจัดตารางของการปฏิบัติให้ไม่ให้ไ ม, ใหไม่ให้รู้ไม่ให้อยู่เฉยๆจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องอันนี้สําหรับผู้ที่ยังปฏิบัติเองไม่ได้ก็ต้องอาจจะอาศัยการไปการไปอยู่ตาม วัดตามสถานที่ปฏิบัติที่เขามีเขาามีตารางการปฏิบัติให้ปฏิบัติไปก่อนแต่ถ้าสามารถปฏิบัติได้แล้วต่อไปก็ไปปฏิบัติแบบอยู่คนเดียวจะจะจะได้ผลดีกว่าเพราะเวลาที่ปฏิบัติร่วมกันหลายคนนี้บางทีมันก็ยังอาจจะมีโอกาสที่จะทาให้จิตใจต้องไปกังวลกับคนรอบข้างได้ เราจะต้องไปมีการสนทนาปราศัยอะไรกันคุยกันการไปคุยกันในขณะที่เราไปปฏิบัติมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบเพราะการจะทําใจให้สงบนี่เราต้องหยุดความคิดถ้าเราคุยกันนี่การคุยกันมันก็จะทําให้ต้องใช้ความคิดมันก็จะทําให้เวลาที่จะหยุดความคิดนี่มันยากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราจะต้องพิจารณาดูว่าเราจะควรจะไปหาสถานที่ปฏิบัติแบบไหนดีแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เลยถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะปฏิบัติที่บ้านไปเลยก็ได้ถ้าที่บ้านของเราไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจมาคอยดึงใจให้ไปไปวุ่นวายด้วยปฏิบัติที่บ้านไปก็ได้ แลืถ้ามีสถานที่ปฏิบัติที่ดีกว่าที่บ้านที่เป็นสัปปายะที่อยู่ตามป่าตามเขาไปแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าก็อาจจะต้องหาเวลาปีกไปเรื่อยๆสถานที่ปฏิบัติก็สำคัญแล้วข้อสุดท้ายที่จะช่วยให้การปฏิบัตินี้เป็นไปให้เกิดผลขึ้นมาก็คือต้องมีการเจริญสติอย่างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับทุกเวลาที่ที่มีการตื่นนี่ต้องให้มีสติคอยกำกับใจอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีสติแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบต่อให้นั่งสมาธินานเท่าไหร่ถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไปลอยมาลอยไปกับความคิดต่างๆคิดในเรื่องอดีตบ้างคิดในเรื่องอานาคตบ้างคิดถึงคนนั้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้า ง, ค, ง, ค, นนางคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีสติคอยคอยกำกับคอยหยุดความคิดใจก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ด<ม>ังนั้นสิ่งแรกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกัน<ม>เราต้องพยายามเจริญสติให้มากๆก่อนให้มีกำลังคอยสกัดความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อย<ม>ถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดความคิดนั้น สตินี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นเบรกใจเหมือนเบรกของรถยนต์การที่เราจะให้รถยนต์นี้หยุดนิ่งได้เวลาที่มันเคลื่อนที่เราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถยนต์มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าเราเหยียบเบรกแล้วรถมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกไม่มีเบรกเสียถ้าเบรกเสียเราก็ต้องเอารถเข้าไปซ่อมเบรกก่อนเราจะไม่กล้าเอารถ ขับรถออกไปตามท้องถนนโดยที่ไม่มีเบรคเพราะเรารู้ว่ามันขับไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหยุดต้องหยุดรถกันถ้าไม่มีเบรไม่หยุดรถไม่ได้ก็จะไปเกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถคันอื่นได้อันใดใจเราก็เหมือนกับรถยนต์เนี่ยความคิดของเรานี่เป็นเหมือนรถที่กําลังวิ่งอยู่ถ้าไม่มีเบรมันก็จะไม่หยุดถ้าไม่มีสติคอยคอยคอ ย, คอยหยุดมันมันก็จะไม่หยุด มันก็จะคิดของมันเรื่อยเปเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราลืมตามาตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนถึงบัดนี้เราหยุดความคิดกันได้หรื อ, อยังเราไม่ได้หยุดเลยความคิดของมันคิดอย่างต่อเ น, นื่องคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นคิดไปเรื่อยๆมีเรื่องให้คิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่เลยไม่เคยจะเห็นความสงบว่าเป็นอย่างไรกันดงั้นสิ่งที่เราต้องทำ ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิก็ต้องเคยใช้สติคอยสกัดสกั้นความคิดให้มันน้อยลงไปก่อน mm hmm. แล้วเราถึงจะมานั่งสมาธิแล้วทําให้หยุดคิดได้อย่างเต็มที่เลย mm hmm. ถ้ายังไม่เคยสกัดกั้นความคิดปล่อยให้คิดอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เวลามานั่งสมาธินี้มันจะไม่สามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้เลย mm hmm. ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุข ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้จึงจําเป็นที่จะต้องเจริญสติให้มีอย่างต่อเนื่องทุกตลอดเวลานาทีการปฏิบัติที่จะให้มีสติได้ก็ต้องปฏิบัติในวันที่เราไม่มีภารกิจการงานไม่มีการงานที่ต้องทํากับกับกับผู้อื่นให้เราอยู่คนเดียวจึง จึงควรจะทำในวันที่เราหยุดวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆทํางานในวันทำงานนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมนียากเพราะมันเป็นคนละทิศทางกันเพราะเวลาทำงานเราต้องใช้ความคิด<ม>เราต้องใช้ก็ต้องพบปะพูดคุยกันอะไรกันต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเราจะไม่สามารถคอยควบคุมหยุดความคิดได้<ม>ถ้าเราอยากจะปฏิบัติเพื่อหาความสงบ นี่เราจำเป็นที่ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงกาหนดวันพระขึ้นมาเนี่ยวันพระนี้เป็นวันที่พระเจ้าบอกให้เราหยุดทำงานหาเงินหาทองการหาหาปัจจัยสีม่มามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วเอาเวลานี้มาให้กับการมาสร้างความสุขทางใจมาทำใจให้สงบกัน มาถือศีลแปดการแบกอยู่ในเปลววิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดปราศจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วก็ให้กับการจะให้ให้มีเวลากับการเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยวิธีที่จะมีสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันการเจริญสตินี้ต้องมี กรรมฐานเป็นเครื่องเจริญสติกรรมฐานคืออะไรก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการยับยั้งความคิดต่างๆก็มีถ้าไปศึกษาในตำรานี้จะมีถึงสี่สิบกรรมฐานด้วยกันแต่ในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัตินี้ก็ให้เลือกเอาอย่างอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็พอคือจะใช้ พุทธานุสติคือใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติก็ได้ด้วยการรำลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไปเรื่อยๆคือพุทโธพุทโธพอลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเราคิดเราก็ดึงใจให้มาให้อยู่กับพุทธโธพุทโธไปถ้าจะอยู่กับพุทธโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าพอเราเผลอพุทธโธปั๊บนี่มันก็จะวกไปทันทีจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราถ้าเรารู้ตัวว่าอตอนนี้เราไม่ได้พุโทโธแล้วมันกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องเรียบดึงมันกลับม า, ท, าทันทีพยายามให้มีพุโทโธตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไม่ว่าเราจะทำธุระอะไรก็ตามเราจะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้มีพุโทโธพุโทโธกำกับใจเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเรื่องราวต่างๆ อันนี้จะช่วยสกัดกั้นความคิดทำให้ใจคิดน้อยลงไปใจที่คิดน้อยลงก็จะทำให้ใจรู้สึกเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้น<ม>แล้วเวลามานั่งสมาธินี้มันจะไม่รู้สึกอึอดอดัดถ้าเราปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆ<ม>พอถึงเวลามานั่งสมาธินี้มันจะรู้สึกอึอดอดัดเวลาพุโทโธก็รู้สึกยากเพราะมันเหมือนกับต้องฝืนกระแสของความคิด แต่ถ้าเราตัดกระแสลดกระแสของความคิดให้เบาลงให้น้อยลงด้วยการหมั่นจเจริญสติหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> อย่างนี้มันก็จะทําให้ความคิดมันเบาลงน้อยลงในเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายเวลานั่งก็ต้องมีสติกํากับต้องมีกรรมฐานกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราใช้พุทโธมาเราจะใช้พุทโธต่อก็ได้ นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปทําไมเราต้องนั่งเพราะว่าถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ใจยังต้องทํางานอยู่ใจจะไม่นิ่งจะไม่สงบได้เต็มที่แต่ถ้าเราเวลาเรามานั่งเฉยๆแล้วนี้ใจก็ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ไม่ต้องคอยกํากับคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรเนใจก็จะนิ่งได้ง่ายไ ด, ได้เต็มที่ได้จึงจําเป็นจะนั่งนั่งสมาธิการเดินก็เหมือนกับการนั่งเป็นการจเจริญสติ แต่ผลที่จะได้มันต่างกาันการเดินการเคลื่อนไหวนี้เจริสตินี้จะช่วยลดความคิดให้น้อยลงได้แต่ไม่สามารถหยุดความคิดได้ร้อยเอร์ซถ้าอยากจะหยุดความคิดได้ร้อยซนี้จาเป็นที่จะต้องมานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วถ้าเราใช้พุทโธมาตลอดเราก็จะใช้พุทโธต่อไปก็ได้หรือบางท่านถ้าใช้วิธีอื่นเช่นใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ทุกิเลียบท ร่างกายเดินก็รู้ว่ากําลังเดินร่างกายยืนก็รู้กําลังยืนคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอยู่อย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาถ้าเวลามานั่งก็เปลี่ยนจากการดูการเคลื่อนไหวเพราะร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วร่างกายนั่งอยู่เฉยๆถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือเหนือบริเวณสีปากที่เป็นที่ที่ลมจะมาสัมผัสเวลาเข้าออก ให้ดูตรงจุดนั ara, ้นจ hey, hmm. ุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องบังคับลมให้หายลึกๆหรือหายยาวๆปล่อยมันหายใจตามธรรมชาติของมันมันหายใจสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันหายใจยาวก็รู้ว่ามันยาวมันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเลย ให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งเหมือนกับพุทธโธแล้วไม่จาเป็นจะต้องพุทธโธเข้ากับไ ป, ไปกับลมด้วยก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวจะจะสะดวกสบายกว่าถ้าเรามีสติแล้วไม่จาเป็นจะต้องหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทเพราะว่ามันจะเป็นการยุ่งยากแล้วก็อาจจะทำให้มันสงบได้ยากกว่ า, ก, วาการดูลมอย่างเดียว หรือถ้าจะพูดโธก็พูดโธอย่างเดียวไม่ต้องไปผูกไว้กับลมการไปผูกไว้กับลมนี้มันเป็นการบังคับกันการบังคับนี้มันจะทำให้เกิดอาการไม่ <c oughs> ไม่เป็นธรรมชาติเราต้องการให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือด้วยการดูเฉยๆหรือด้วยการบริกรรมเฉยๆไปไม่ต้องเอาไปผูกไว้กันด้วยกัน หายใจเข้าว่าพูดหายใจว่าออกโทนี้ไม่จำเป็นแต่ถ้าทำแล้วได้ผลก็ไม่ห้ามเหมือนกันแต่เท่าที่ผ่านมานี้รู้สึกกับการดูลมเฉยๆเพียงอย่างเดียวนี้มันดูแล้วมันสบายกว่ามันง่ายกว่าหรือการบริกรรมพูดโทอย่างเดียวมันก็ง่ายกว่าแล้วเราสามารถเปลี่ยนความเร็วช้าของคำบริกรรมได้เพราะบางทีใจมันคิดมากเราอาจจะต้องบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นก็ได้ แต่ถ้าใจมันไม่ได้คิดมากใจมันไม่ดือ้อเราก็อาจจะไม่ต้องบริกรรมพุทโธให้ถี่มากก็ได้เราสามารถปรับความเร็วช้าของคำบริกรรมได้แต่ถ้าเราไปผูกไว้กับลมนี่เราปรับไม่ได้ลมหายใจเข้าว่าก็พุทธทีหายใจออกว่าโททีในช่วงระหว่างระหว่างพุทธกับโทนี้มันความคิดมันอาจจะแวบเข้ามาแล้วก็ได้แต่ถ้าเราใช้พุทธโธถ้าเรารู้ว่าเราพุทโธพุทโธอยู่ มันความคิดยังรับเข้ามาอยู่แล้วก็พุทโทรให้เร็วขึ้นไปอีกหน่อยอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ได้ดีกว่าใช่ไหมแต่ก็ไม่ห้ามนะใครอยากจะใช้หายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทก็ทําไปแต่ก็ต้องประเมินดูผลว่ามันได้ผลมาไหมปฏิบัติมากี่เดือนกี่ปีแล้วจิตเคยสงบเคยรวมจากการใช้พุทธเข้าโทวองกมัม้ยถ้าได้ผลดีจิตสงบก็ใช้ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ผลดีก็ลองเอาพุทโธอย่างเดียวดูหรือลองดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวดูก็ได้สาหรับท่านที่มานั่งใหม่ๆแล้วนั่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าสติไม่มีกำลังไม่ได้สกัดกั้นความคิดมาไว้ล่วงหน้าก่อนนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดนั่งแล้วฟุ้งซ่านวิธีที่จะช่วยได้ก็แก้ได้คืออาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนนั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจ แทนที่จะใช้พุโทโธรูอดูลงหายใจก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่ามีสติมากพอใจเริ่มสงบใจเริ่มเบาลงไม่สงบนิ่งแต่เบาลงจนสามารถอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธคำเดียวแล้วอยู่กับการดูลงหายใจได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนมาก็ได้อันนี้ก็คืออุบายวิธีของการทำใจให้สงบที่ทาใจให้เกิดความสุขขึ้นมา ที่เราความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับถาวรระดับที่ได้จากการนั่งเจริญสตินั่งสมาธินี้จะได้ความสุขแบบชั่วคราวเกิดความสุขของสมาธินี้จะเป็นความสุขที่สงบได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิมีความสุขได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะใจเริ่มคิดเรื่องราวต่างๆแล้วพอคิดแล้วก็มักจะเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี่อาจจะเป็นตัวที่มาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิถ้าอยากจะให้ความสุขที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิต่อได้ต่อไปก็ต้องมาใช้ปัญญาคอยคอยสกัดกั้นคอยกาจัดความอยากต่างๆ ถ้าใจเห็นว่าสิ่งที่ใจไปอยากได้นั้นมันเป็นของที่จะต้องทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาในภายหลังเพราะของทุกอย่างที่ใจอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้มันเป็นของที่ไม่เที่ยมเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ให้ความสุขแต่พอสักระยะหนึ่งความสุขมันมันจะเปลี่ยนไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันจะเปลี่ยนไปหรือหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็จะหายไปมันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวให้ความสุขได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็เปลี่ยนไปหมดไปเราจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ควบคุมให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาคือให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยาก้ อยากได้ให้มาให้ความสุขว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอันนี้ถ้าถ้าสามารถเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ใจก็จะหยุดความอยากได้พ mm. อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดอย่างถาวร mm. อันนี้เรียกว่าความสุขความสงบจากปัญญาที่เป็นความสุขที่ถาวร mm. นี่แหละคือความสุขของนักบวช มีอยู่แบบนี้ก็เอามาฝากท่านให้ท่านได้พิจารณาทั้งสองรูปแบบเรความสุขของผู้คองเรือนและความสุขของนักบวชทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อยากจะหาความสุขแบบไหนก็เลือกได้เพราะเหมือนกับไปซื้อของในร้านมีข้าวของมากมายที่จะสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยจัน้ความสุขของของทั้งสองรูปแบบนี้ก็สามารถเลือกได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรินติสาครัง <c oughs> เอวเมวาอิโตจินางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะชิตังตุมหัมคิปปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรินตูสังกับา ฌันโทปนะ阿拉สยาานาฬิโตรติอราสยาาสัพพิติโยวิวาฌานตุสัพพโรโควิน o t s a มาเตภวตวันตาลาโยสุขิตีขายุโกภวาอะพิวาทันสิลิสะนิจัง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 พระอาจารย์สุชาติพิชาโต394คน YouTube พระสุชาติไลฟ์328ยิ YouTube ดรวีชั่นเนลหวิทยุออนไลน์6 c คลับเฮาส์หผู้รับฟังธรรมะนากุติหนึ่งสาคนรวมทั้งหมด929รยี่คนครับน้สัสการอาจารย์มักหน่อยสันโดบแปลว่าอะไรครับ Not knowing, wanting little, small is beautiful. Sando means uh, be content with whatever you get, be happy with whatever you get. Many or little, be happy, be thankful for getting it. I think in English, I said like uh, more is less. Okay. More, more is less. Yeah. Uh, Oh, less is more. n Less is more. Uh, Small is beautiful, uh -huh. because it, it doesn't require much to have have little. It requires more to. If you want something more, you have to work more for it, harder for it. And if you have you w a n t something that's not as much, then you don't have to work as hard for it. So it releases the stress on your mind. If you want lots of things, you have to work hard to get it. If you don't want much, then you don't have to work hard to get it. And if you're just happy with whatever, with whatever you get, you want, then you, know, you won't have any any worries. Because you're just happy with anything or nothing. Not รู้ส i น g ่ว d ครับผมและก็เราเปนผีชารณ คำารรั น, นอสุภาความเจิดงคำอภริคร ม, มันเดิมแบบพุโทโธพุโทโธหรือิแบบ อ, ท, อทีปิโสหรื อ, แบบอกความเจทดธงภริคำที่เก่าข้องรุ่งนี้แบบกระดูกระตูรู้แบบโซพโสบมันเป็นการปฏิบัติที่ต่างเ่างเวลากันเวลาที่ใช้พุโทโธนี่เราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบไม่คิดอะไร อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทำเรื่องอสุภะถ้าเราอยากจะท ำ, ทำเรื่องอสุภะนี่หมายถึงเราต้องการดูความจริงของร่างกายที่เรายัางมองไม่เห็น ค, ความจริงที่อยู่ภายใต้ผีหนังของร่างกายเพื่อจะเห็นว่าร่างกายเราภายใต้ผีหนังมีอะไรบ้างเราก็ต้องนึกภาพขึ้นมานึกถึงโครงกระดูกสแกลทั นึกถึงอวัยวะต่างๆเช่นปอดตับหัวใจลำไส้หรือถ้าเราไปเปิดหนังสือดูก็ได้หนังสืออนามตามีให้เราเห็นว่าร่างกายอันนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คนเขาลหลงไหลกันถ้าเปิดเข้าไปข้างในแล้วมันก็มีแต่ส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมอันนี้มันบัญญัสอนใจไม่ให้หลงไปกับความสวยงามภายนอกให้รู้ว่าภาย ภายใต้ความสวยงามภายนอกก็มีความไม่สวยงามจะได้ไม่ไปหลงรักร่างกายไม่มีความอยากที่จะมี ม, มีมี sexual intercourse อันนี้เป็นสำหรับนักบวชสาหรับคนที่ถือศีลแปลคนที่ถือสิลแปดนี้ไม่ตัวมีข้อห้ามไม่ให้ไปมี sexual intercourse เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ก็นนึกถึงอสุภะถ้านึกถึงอสุภะแล้วมันก็จะทำให้ความอยากนั้นหายไปได้นั้นเราต้องนึกไว้เรื่องหน้าก่อนต้องต้องศึกษาต้องทำการบ้านก่อนพอเวลาเจอข้อสอบเวลาเกิด s ซ x u a l d e s i r นขึ้นมามันจะได้ใช้อสุภะนี้มาหยุดมันได้อันนี้ต้องทำ ต้องทำต่างเวลากับเวลาที่เราทาใจให้สงบเราทำใจให้สงบเราไม่ต้องการคิดอะไรต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้มีความสุขให้มีความอิ่มความพอแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเห็นภาพสวยสวยงามงาขึ้นมาก็อาจจะเกิดความอยากขึ้นมาเราก็น้องนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามมาลบความอยากถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ทาการบ้านไม่ก่อนเราก็จะไม่มีเครื่องมือ ที่จะมาลบความยากนั้นได้เข้าใจครับเข้าใจนะขอบ <Okay. S 2> คุณนะครับเป็นชาวต่างชาติที่สนใจมาเรียนภาษาไทย mm hmm. มาเรียนภาษาไทยแล้วก็มาเรียนงที่โรงเรียนเทคนิคมาเรียนวิธีเชื่อมเชื่อมโลหะต่างๆใช่ไหมวีลดิ้งวลดิงเหน้าไมา่ไ การเชื่พ์พรบกายตะกี้รองรงยรงันุ้นมันยูเกิดดูเคลีย์อ่ารงงรงโอเคคำถามจากทางเฟ e บุ๊กครับคุณต้นทำอย่างไรถึงจะเข้าสมาธิได้เร็วครับก็ต้องมีสติที่ต่อเนื่องที่เรียกสติสัมปชัญญะไม่เผลอเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่ อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้ อ, อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆไม่ลอยไปไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องในอดีตไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องปันาคตเรื่องอะไรต่างๆให้รู้เฉยๆอยู่กับพุโทโธไปแล้ อ, อยู่กับร่างกายไปในเวลามันนั่งสมาธิมันห้านาทีก็สงบได้อย่างง่ายได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณปิง ผมเพิ่งหัดนั่งสมาธินั่งได้ครั้งละสิบห้าถึงสามสิบนาทีแต่ความคิดยังไม่นิ่งครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับทำอย่างไงทำอย่างไ ร, งไรเราจะให้จิตของเราสงบได้ครับต้องทำให้มากทาให้บ่อยามาพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องพยายามทาบ่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณวิชัยเวลาใสบาตรตอนที่พระสงฆ์ให้พรเราควรนั่งรับพรหรือยืนรับครับไม่ควรรับเลยไม่ควรให้เลยไม่ใช่เวลาที่จะให้พรเวลาบิณฑบาตนี้ตามความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะให้สีลให้พรกันแล้วถ้าพระท่านจะให้เราอยู่ยืนรับก็ได้นั่งรับก็ได้ให้เราแสดงความเคารพในพรที่ท่านให้เราก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณมูลธาตุสีดินน้ำลมไฟหากเปรียบเทียบเป็นกระดูกโลกนี้เต็มไปด้วยกระดูกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างก็อยู่บนกองกระดูกยื้อแย่งกันไปมาสุดท้ายก็ทิ้งไว้เหลือแต่กระดูกหลวงพ่อเห็นว่าอย่างไรครับ้เราไม่เห็นสิถ้าเห็นก็คงจะไม่มีการแย่งกันมันเห็นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเป็นเป็นอะไรไปหมด มันก็จะแย่งกันถ้ารู้ว่ามันก็เป็นแค่กองกระดูกมันก็จะไม่แย่งกันคำถามจากทางยูทู e คุณต้นคูณกรรมฝ่ายดีนั้นถ้าทำแล้วสามารถไปสุกติภูมิได้เลยไม่ไปอบายต้องทำบุญแบบใดครับออต้องทำบุญมากกว่าทำบาต เพราะว่าถ้าเรายังทําบาปอยู่บุญกับบาปนี้จะมาต่อสู้กันเวลาที่ร่างกายตายไปผู้ที่จะมาดึงวิญญาณไปทางใดทางหนึ่งก็คือบุญและบาปถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ชั้นต่างๆคําถามต่อไปจากคุณเพชรคุณธีระครับ การขอขมาถ้าเราขอขมาในใจถือว่าขอขมาสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จหรอกต้องขอขมากับผู้ที่เราร่วงเกินเพื่อให้เขาได้ให้อภัยเราถึงจะสำเร็จคำถามต่อไปจากคุณใบบุญถือปฏิบัติศีลทานภาวนารักษาศีลพรหมจรรย์ถือศีลแปดทุกวันพระ มีการปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกวันแต่บางครั้งไม่ถึงชั่วโมงครับการปฏิบัติเช่นนี้ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมครับแน่นอนมันดีกว่าไม่ทำแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับทำทั้งวันทั้งคืนเป้าหมายก็คือถ้าอยากจะได้ผลมันต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะเกิดผลขึ้นมาได้คาถามจากคุณใบบุญต่อครับ การฉีดสารเข้าไปในร่างกายที่ไม่ให้ร่างกายแก่เช่นโบท็อกซ์ถือเป็นการไม่ละสักายัิติหรือไม่ครับและจะทำให้ไม่เข้าสู่กระแสพระโสดาบันหรือไม่ครับก็คงจะยากที่จะเข้าสู่กระแสเพราะยังหนงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราอยู่อยากจะให้ร่างกายเราสวยงามอยากจะให้เราสวยงามอยู่อันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงแต่ตุ๊กตาตัวหนึ่งหรือคนรับใช้เราเท่านั้นเองซึ่งเราไปหลงรักมันเราก็จะไปหวงมันไม่อยากให้มันแก่พอเกิดเวลาแก่ขึ้นมามันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคาถามต่อไปจากคุณใบยกสภาวะเฉยๆที่เกิดจากการที่ลูกนั่งสมาธิจน จ, นจิตรวมและรู้เฉยๆใช่ไหมครับใช่จิตจะนิ่งสงบ แต่จะมีความสุขมากแล้วก็จะมีอุเบกขาในเวลานั้นความรักชังกลัวหลงจะไม่มีอยู่ในใจเวลาไปสัมผัสกับอะไรที่เคยชอบก็จะรู้สึกเฉยเฉยเวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้สึกเฉยเฉยเช่นไปเจอใครเข้าชมก็เฉยเฉยใครด่าก็เฉยเฉย ถ้าจิตออกจากสมาธิใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นจะมีอเุเบกขาแต่ถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวอุเบกขาเนี่ยก็จะค่อยจางหายไปเพราะความรักชังโกลงจะกลับคืนขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันเฉยต่อไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องเข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่เรื่อยเพื่ อ, อให้ใจเราเย็นใจเราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจ คำถามจากทางย t u b e จากคุณศรัทธาการที่เรานำไข่ต้มที่ใช้แก้บนในวัดหลวงพ่อโสธร น, นำมาปรุงเป็นไข่ต้มพะโลและนำมาใส่บาทพระอีกทีหนึ่งจะทำได้ไหมครับก็อยู่ที่กฎกติกาที่เขาทำกันว่าเขาให้ทำได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่มีกฎกติกาห้ามก็เอามาทำบุญใส่บาทได้ไม่เสียหายตรงไหนขอมันยังไม่เสีย <Yeah. S 2> ขอยังกินได้อยู่ับ แต่ถ้าเขามีกฎกติกาของการบุญว่าบุญแล้วเอาไปทําไม่ได้ก็อันนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาคํานั่นเองหม mm hmm. แล้วนะแต่การบุญนี้ทาในทางของศาสนาคริริ์ไม่พระพุทธเจ้าไม่ให้บุญบานอะไรทั้งสิ้นนะอยากจะได้อะไรนี้ต้องทําขอไม่ได้ศาสนาพุทนน้สอนให้ให้ให้ทําในสิ่งที่ตันเองอยากได้ขอไม่ได้ ถ้าขอได้ป่านนี้พวกเราทุกคนเป็นมหาเศรษฐีกงนไปหมดแล้วไปนิพานกันหมดแล้วแต่มันเป็นของที่ขอไม่ได้แต่ก็คนก็ไม่รู้กันไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเข้ามามีอิทธิพลต่อต่อศาสนาเราศาสนาเราคำจริงมันไม่ใช่ศาสนาบนุญแต่คนไม่รู้คิดว่าบุญแล้วไ ด, ได้ได้สิ่งที่อยากได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องอ มันเรื่องที่บุญหรือไม่บุญเวลามันจะได้มันก็ได้อยู่ดีครับอันนี้คนก็เลยไปไปคิดว่าอ๋อพอบุญปั๊บได้ปับ๊บอะไก็เลยเชื่อเรื่องของบุญบานกันนะครับยิงคนที่บุญแล้วไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปน่าจะลองทําสติสติดูนะเนีย่ยคนที่ไปบุญที่วัดดังๆเนี่ยถามเขาว่าคุณบุญแล้วได้หรือเปล่าเนี่ยจะได้รู้จะได้มีสติมีความจริงกันอันนี้ไม่มีมันเพียงแต่เป็นความเชื่อกัน น, นั่นเอง คนที่บนไม่ได้ก็เฉยๆไปคนที่บนได้ก็มาประกาศโอโไ้ได้นู่นได้นี่ขึ้นมามันก็เลยทําให้คนที่ไม่ได้อยากจะได้ก็ไปบนกันคําถามจากทาง youtube ครับคุณศรัทธาถ้าหากว่าเราถือสินแปดสามารถสําเร็จคําความใคร่ตัวเองผิดไหมครับถ้าเป็นสินแปดนี่ไ ม, ไม่ไม่ผิดนแต่ถ้าเป็นศินของพระนี่ผิดนพระห้ามสําเร็จความใคร่ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนักกฤษหากเฝ้าดูความคิดเกิดดับไปเรื่อยๆทั้งวันจิตจะเบื่อในในความคิดนั้นไหมครับไม่เบื่อหรอกไปดูความคิดนั้นมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรการดูความคิดนี้เพื่อหยุดความคิดเท่านั้นเองเพราะถ้าจิตไม่หยุดคิดมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขดังนั้นเบื้องต้นนี้เราจะไม่นิยมใช้การดูความคิดเพื่อหยุดความคิดเพราะมันหยุดไม่ได้ ต้องใช้ใช้อย่างอื่นดูลมหายใจดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วมันจะทำให้ความคิดนี้มันหยุดได้การจะหยุดความคิดได้นี้ต้องเป็นขั้นระดับวิปัสสนาแล้วก็เห็นว่าความคิดนี้มันเป็นทุกข์แต่ันนั้นยังยังต้องรอผ่านขั้นของการเห็นทุกข์ในร่างกายก่อนเห็นทุกข์ในเวทนาก่อนแล้วค่อยไปเห็นทุกข์ในจิตอีกทีนึ่งเห็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดต่าง <c oughs> อันนั้นาการดูความคิดอะไรนี่ถ้าไม่มีสติที่จะหยุดมันดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่มีปัญญาที่พิจารณาให้เห็นว่าความคิดเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นเรื่องไร้สาระคิดไปให้ป่วยการก็เปล่ามันก็หยุดไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรยันต้องฝึกสมาธิก่อนให้มีความสามารถที่จะหยุดความคิดด้วยสติก่อน เมื่อหยุดความคิดด้วยสติได้แล้วทีนี้ก็ค่อยมาใช้ปัญญาสอนให้หยุดความคิดด้วยปัญญาสอนให้เห็นว่าความคิดที่นําไปสู่ความอยากต่างๆนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นําไปสู่ความสุขถ้าเห็นว่าความคิดนี้จะพาไปสู่ความอยากที่จะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปก็จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้ คำถามต่อไปจากคุณแยมทำอย่างไรให้มีปัญญาตัดกิเลสความพอใจกับของบนโลกนี้ให้ได้อย่างเด็ดขาดครับก็ต้องมาดูเรื่อยๆว่าของทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเวลาได้มาก็ดีใจเวลาสูญไปก็เสียใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสียไปต้องมีการพลาดพลาดจากกันไป ให้คิดถึงการพักๆจากสิ่งต่างๆไปบ่อยๆเพราะเรามานี่เรามาอยู่ชั่วคราวร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายก็จะต้องหมดไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ให้เรานึกถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยง <S S S S เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุด อันนี้นะเป็นการมองให้เห็นแล้วเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้เกิดความยินดีกับสิ่งต่างๆถึงแม้จะให้ความสุขกับเราก็เป็นให้ความสุขแบบชั่วคราวให้ความสุขแบบที่จะต้องทําให้เราเศร้าให้เราเหงาต่อไปเวลาที่เขาจากออกไปนี่คือเรื่องของความจริงพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอ น, นิจจังอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราบยอดสารเสริญ ส, สุขลาบ ล า, าบยศรรยสรรเสริญก็มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาได้ลาบมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องสูญเสียลาบไปได้ยศมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องสูญเสียยศไปได้สรรเสริญแล้ววันหนึ่งก็จะได้นินทากลับมาได้สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้ววันหนึ่งก็จะได้ทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับสิ่งเหล่า น, นี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขา อยู่แบบไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิจรดก็ได้ถ้าเรารู้จักอยู่ทำใจให้สงบระงับความอยากต่างๆได้ใจเราก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรที่เรียกว่าความสุขจากความว่างเปล่าก็คือพระนิพานนี้นิบานังประมังสุญญเจิที่อยู่กับความว่างเปล่าได้นี่จะเป็นนิพานจะเป็นบรมสุขนิบานังประมังสุขทัง นี่แหะคือเป้าหมายของชาวพุทธเราเขาคือหัดอยู่แบบที่ไม่ต้องมีอะไรเพราะมีอะไรแล้วสิ่งนั้นจะต้องทําให้เราทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เรามีมันจะต้องมีการเสื่อมไปหมดไปจากเราไปแต่ถ้าเราอยู่กับความว่างได้ความว่างจะไม่มีวันจากเราไปความว่างมันไม่มีการเสื่อมไม่มีการสูญอยู่กับความว่างนะ่ะดีที่สุดแต่จะอยู่ความว่างได้ต้องหยุดความอยาก ต้องทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วก็จะอยู่กับความว่างได้ไม่เหงาไม่รู้สึกว้าเวรู้กลับรู้สึกเบาสบายใจ อ, อ, อันนี้ก็คือเรื่องเราที่คนพวกเราเชาวพุทธคนที่จะเข้าใจกันแล้วนำออกไปปฏิบัติกัน <c oughs> มีคำถามยังไหมยมดแล้วนะพอ <c oughs> คิดว่าพอสมควรแก่เวลา